อาณาสยามยุภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระขนนิกายเป็นมหายุาโยธาทัพใหญ่ไปกระทำศึกสงครามกับนักองจันร์พระเจ้ากรุงกัมพูชาทิพบดีขมรไม่ต่อสู้ไทยนักองจังนร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบ ก, กับไทย ไทยได้รบกับยวนและยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกังมาชานามประมาณถึงสิบสี่ปีเศษมีข้อความพิสดารวิจฐานในการศึกไทยยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่หกเขมินเมืองกังฟอร์ ต้นเียยงทภายหลังเจ้าพระยาบดินเดชาอยู่ที่เมืองโจโดกจึงแต่งหนังสือฉบับหนึ่งมอบให้หมื่นพิทักษ์ลงเรือเร็วมาส่งให้เจ้าพระยาพระชังที่เมืองบรรทายมาศในหนังสือนั้นมีเป็นใจความว่าหนังสือแม่ทัพ บ, บกแจ้งข้อราชการมายังแม่ทัพเปรือได้ทราบ ด้วยณวันศุกร์เดือนสามแรมสิบสามค่ำนั้นไอ้ยวนยกทัพเรือเข้ามาตีเมืองโจโดกอีกครั้งหนึ่งแม่ทัพ บ, บกได้แต่งการรักษาป้องกันบ้านเมืองไว้ได้โดยมั่นคงแล้วได้แต่งนายทัพนายกองออกสู้รบกับทัพเรือยวนเป็นสามารถพลทหารไทยได้ยิงปืนโต้ตอบกับยวนตั้งแต่เช้าจนเที่ยงเรือรบยวน ถูกกระสุนปืนยับเยินแตกหักเสียหายหลายลําเวลาบ่ายอ้าอหยวนก็ล่าทัพถอยกลับไปหมดแล้วแต่การต่อไปข้างหน้านั้นท่านแม่ทัพ บ, บกคาดคณีเห็นว่าอ้าอหยวนคงจะยกทัพ บ, บกทัพเรือเพิ่มเติมมาตีเมืองโจดกอีกเป็นมั่นคงถ้าไอหยวนยกมาอีกคราวนี้คงจะเป็นศึกใหญ่เห็นว่า จะได้ทำยุทธนาการกับยวนเป็นสามารถเพราะว่าเดือนสี่ข้างแรมต่อกับเดือนห้าข้างขึ้นนั้นมีน้ำหลากมาแต่แม่น้ำโขงและทะเลสาบมากลายแววอยู่เพราะเดือนสี่เดือนห้าต่อกันนี้มีฝนตกมากชุกชุมอยู่แล้วคงจะมีน้ำเหนือหลากมาทุกแฝวเพราะฉะนั้นจึงคิดเห็นว่า ถ้ามีน้ำเหนือหลากมาเมื่อไรเรือใหญ่ก็จะเดินในคลองได้ทั่วทุกคลองไอยวนคงจะยกทัพเรือใหญ่มาได้ตามคลองทุกคิดทุกทางคงจะได้ทำมหายุติการศึกใหญ่กับไอยวนในคราวฤดูน้ำนี้เป็นแน่ขอให้ท่านแม่ทัพเรือทํานุบำรุงทัพแก้วทหารไว้ให้รื่นเริงกับใช้ให้นายทัพนายกอง ไปจัดแจงตั้งสิ่งซ่อมแซมเรือรบใหญ่น้อยที่ชำระซุโ่มให้แล้วเสร็จแต่ในเดือนสี่ข้างขึ้นให้ได้กลับขอให้ท่านแม่ทัพเรือใช้ให้พระยาตราบคุมพลเมืองตราดทั้งสิ้นไปตั้วซิ่วซ่อมแซมเรือรบเก่าของขมรที่นักองค์จันทร์สร้างขึ้นไว้ตกค้างอยู่ที่เมืองกำปอดและเมืองกำพงสมนั้นมีอยู่หลายลำถ้าจะเลือกแต่ที่พอใช้ได้ คงจะได้เรือเกือบร้อยลำถ้าพระยาตราบทําการซ่อมแซมเรือรบเก่าเขมิดเสร็จแล้วได้มากน้อยเท่าใดให้คุมมาส่งไว้ในเมืองปทัยมากแล้วให้เจ้าคุณจัด ก, กระสุนดินดําเครื่องสัตววุธและเชือกเส า, า, าสเผาใบเสบียงอาหารไพรพลลงบรรทุกเรือรบเก่าใหม่ให้พร้อมกันเสร็จให้รีบยกทัพเรือเข้ามาทางคลองขุดใหม่ด้วยน้ํามีมากแล้ว ให้รีบยกมาให้ถึงเมืองโจโดกในเดือนสีข้างแรมหรือเดือนห้าข้างขึ้นอ่อนๆให้จงได้ถ้าทับเรือยกมาพร้อมกันเมื่อใดทับบกก็จะได้ยกไปพร้อมกันเมื่อนั้นจะได้ช่วยกันยกลงไปตีค่ายตามหัวเมืองรายทางตลอดไปถึงเมืองไส้ง่อนอีกสักครั้งหนึ่งขันทับบกทับเรือจะไม่ยกขึ้นไปตียวนให้ถึงเมืองไส้งอนอีกก็ไม่ได้ เพราะกองทัพเจ้าพระยานครราชสีมากองหนึ่งทัพพระยามนเทียนบานกองหนึ่งทัพพระยาราชยโยธากองหนึ่งทัพพระยานครสวรรค์กองหนึ่งทัพพระยาหัวเมืองฝ่ายเหนือด้วยกองหนึ่งทัพเหล่านี้มีริพนถึงสองหมื่นสามหมื่นเป็นทัพ บ, บกได้ยกขึ้นไปช่วยเมืองไส่งอนแต่จะถึงหรือยังไม่ถึงก็ไม่รู้ หรือจะมีเหตุการณ์กลางทางประการใดก็ยังไม่ทราบข่าวคราวเลยไม่เห็นใช้ใครมาแจ้งข้อราชการให้ทราบบ้างเป็นการยกทัพขึ้นไปแล้วก็เงียบเงียบไปทุกทัพทุกกองเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นทัพผมและทัพเจ้าคุณจะต้องยกขึ้นไปตีค่ายยวนตามรายทางให้ตลอดถึงไส่นอนให้จงได้จะได้ฟังกิตติศัพท์กองทัพพวกที่ยกล่วงมน้าไปก่อนนั้นจะเป็นประการใดบ้าง เมื่อเจ้าคุณพระขังได้ทราบหนังสือกระผมนี้แล้วจงประพฤติตามหรือจะคิดยักย้ายอย่างใดขอให้ตอบมาให้แจ้งโดยเร็วเทิร์นเจ้าพระยาพระลังได้ทราบหนังสือบังคับสั่งราชการของท่านเจ้าพระยาบรินเดชาดังนั้นแล้วจึงเขียนหนังสือตอบเป็นใจความว่ากระผมจะกระทำตามหนังสือบังคับคาสั่ง ขอใต้เท้ามีบัญชามานั้นทุกประการได้มอบหนังสือให้หมื่นพิทักษ์นาทีนำไปส่งให้เจ้าพระยาบดินิชาที่เมืองโจโดกในคราวนั้นแล้วครั้งนั้นพระยาจันทบุรีอยู่ในกองทัพเจ้าพระยาพระคลังที่เมืองบันทายมาศจึงมีหนังสือให้หลวงนาราพักดีไปสั่งให้กรมหลวงยกกระบาดที่รักษาเมืองจันทบุรีนั้นให้ถ่ายเสวีอาหาร บรรทุกเรือแงโอแงสาย23ลำมาส่งยังกองทัพใหญ่ที่เมืองปัทายมากครั้งนั้นหลวงยกกระบัต์เมืองจันทบุรีเป็นแม่กองขุมเรือลำเลียงเข้าสาร23ลำมาถึงเมืองกัมปอดไอข้ขมรที่เมืองกัมปอดคบคิดกันเป็นศัตรูขึ้นมากจึงพาสมัครพักพวกโจรมาแอบรอบเอาปืนยิงถูกไ้พลที่คุมเรือลำเลียงเข้าสารมานั้นเจ็บลาบากมากและตายก็ามาก ไพรพลในกองลำเลียงที่เหลือจากเก็บตายเห็นไอ้ายขมิญทำการเป็นจราจลที่กลางทางดังนั้นก็พากันตกใจกลัวไอ้ขมิญเหล่าร้ายเป็นกำลังยิ่งนักชวนกันทิ้งเรือขึ้นบกหนีไปเอาชีวิตรอดได้บ้าง22คนบางคนที่ขึ้นบกไม่ทันเพราะเป็นการโวนตัวพากันโดดลงน้ำในคลองว่ายหนีไปโดยทิศ ต, ต่างๆบ้างไพรพลในกองทัพประเรียง แต่กระจัดกระจายระส่ำระสายไม่เป็นอันจะต่อสู้กับพวกขมินขมินเห็นได้ทีมีช่องโอกาสดังนั้นแล้วจึงขี่กระบือ38กระบือลงลุยในลำคลองไล่ยิงปันแทงพวกคองลำเลียงเรือเข้าสารแต่กระจัดกระจายไปต่างๆหนีลงน้ำและแอบแฝงอยู่ในเรือบ้านฝ่ายขมินอีกพวกหนึ่ง นำช้างพลายพัง16เชือกลงลุยในคลองไล่ยิงฟันแทงพวกไทยกองลำเลียงตายในน้ำ56คนขมีนที่ขี่กระบือนั้นก็นำกระบือลุยไล่ตามจับเรือลำเลียงได้ทั้งสิน้นพบคนที่แอบอยู่ในเรือนั้นเก็บลำบากมีบาดแผล30คนก็ไม่ฆ่าพาพวกป่วยไข้30คนมารวมไว้ในเรือลำหนึ่งสองลำ แต่คนไทยที่ไม่มีบาดแผลเจ็บป่วยแอบอยู่ในเรือต่างๆนั้น24คนแต่ล้วนถืออาวุธครบมือทุกคนพวกขมีนเห็นดังนั้นก็จับคนไทย24คนมาฟันแทงฆ่าตายเสียสิ้นฝ่ายพวกขมีนเก็บริปข้าวสารอาหารในเรือลำเลียงไปทั้งสิ้นแต่เรือลาเลียง23ลำนั้นขมีนบรรทุกข้าวไปบ้างกระทั่งท้องเรือทะลุให้จมเสียบ้างพวกไทยในเรือลาเลียงนั้นหนีขึ้นบกไป จึงได้รอดชีวิตกลับมาเมืองบันทายมาศบ้างกลับมาเมืองจันทบุรีบ้างขณะเมื่อขมรมาทาการจะลาจนยิงแทงฟันพวกกองลาเลียงดังนั้นหลวงยกกระบัดบุตรพระยาจันทบุรีเป็นนายกองคุมเรือลำเลียงมาเห็นว่าพวกขมรทําแก่ไทยไทยตายมากดังนั้นแล้วก็ตกใจกลัวรีบลงเรือเล็กแปดแจวหนีมาแต่ก่อนตแตกลบกันทิ้งให้แต่ไพรพลอยู่ต่อสู้กับพวกศัตรูขมิ ขเมนก็ฆ่าไพรไทยพาเรือลำเลียงไปได้สิน้นหลวงยกกระบาดหนีมาถึงเมืองบัรทายมาศได้แล้วไปแจ้งข้อราชการแก่เจ้าพระยาพระทังมีบัญชาสั่งให้พระปลัดเมืองปราบบุตรผู้ใหญ่พระยาจันทบุรีและเป็นพี่ชายต่างมารดากับหลวงยกกระบาดให้ปลัดเมืองปราบคุมไพรพนสามร้อยกองหนึ่งแล้วให้เป็นนายทัพบกไปติดตามตีเรือลำเลียงสเสบียงอาหารที่ขเมนตีไว้นั้นคืนมาให้จงได้ ถ้าไม่ได้เสเบียงคืนมาก็ให้ตามไปจับพวกขมิเหล่าร้ายที่เมืองกัมปอดมาให้ได้มาบ้างให้พระปลัดรีบยกไปทางบกก่อนโดยเร็วแล้วสั่งให้หมื่นสิทธิสงครามนายด่านเมืองกราดขุมไพรพ ล, พลสองร้อยคนเป็นนายทัพ บ, บกยกเพิ่มเติมไปติดตามเรือลำเรียงอีกกองหนึ่งแต่ให้ไปทางด้านตะวันตกให้ยกไปรวมกันกับพระปรลับที่เมืองกัปอดข้างเหนือ จะได้ช่วยกันค้นหาพวกขมิญผู้ร้ายให้ได้มาให้จงได้ฝ่ายพระปรลัดเมืองปราด ช, ชำนิชำนานทางเดินป่าขมีนจึงเดินไปถึงเมืองขมีนเมืองกำปอดก่อนกองหลังกองพระประลัดยกเดินไปถึงลำน้ำแห่งหนึ่งเป็นแม่น้ำเก่าตื้นมากอยู่ในป่าแขวงเมืองกำปอดและพระปลัดถึงฝั่งแม่น้ำเก่าขมีนเรียกชื่อว่ากำแพงดำริฉลอง แปลเป็นภาษาไทยว่าถ้าช้างข้ามเป็นเวลาพรบค่ำพระปลัดสั่งให้ไพรพลหยุดกองทัพพักอยู่ที่ชายหาดคืนหนึ่งในคืนวันนั้นขเขมรป่าดงในแขวงเมืองกําปอดรอบนำปืนข้าบศิลามาแอบต้นไม้ใหญ่ที่บนตะลิ่งยิงลงมาถูกผู้คนในกองทัพพระปรลับตายส า, ามคนขณะนั้นไพรพลในกองทัพก็ตกใจระส่าระสายเรไปรวนมาอยู่ตามหาดทราย ในเวลากลางคืนวันนั้นขมิญ น, นำปืนยิงสาสตร์ลงมายันรุ่งพระปลัดถิ่นดังนั้นแล้วยิงแต่งให้หลวงอภัยพักดีกับหลวงศรีสงครามครุมไพ่พลถือปืนนกศับร์ข้าศิลาครบมือกันยกขึ้นไปบนตลิ่งในเวลาสองยามเพื่อจะได้ต่อสู้กับศัตรูขมิญในที่นั่นแต่หลวงอภัยพักดีกับหลวงศรีสงครามขุมกองทัพยกขึ้นไปถึงกึ่งตะลิ่ง ขมิญ น, นาปืนยิงสาดลงมามากกองทัพไทยถังสองกลัวปืนขมิญก็ยกขึ้นไปแอบซุ่มอยู่ที่ใต้กอดตักไครน้ําไม่อาจสามารถจะยกขึ้นไปต่อสู้กับขมิญบนตลิ่งได้เพราะความขลาดกลัวพวกขมินขมิญก็ยิ่งมีน้ําใจกล้า ก, กําเริบนําปืนยิงปรักปรําสาดลงมาจากบนตลิง่งยันรุ่งจนสว่างครั้งนั้นผลในกองพระประหัดตายมากครันลุ่งขึ้นเวลาเชา้า ขมิญที่มารอบยิงก็หายไปหมดทุกทิศทุกทางฝ่ายพระปลัดเมืองตราดก็คลุมไผ่พลยกข้ามแม่น้ําเก่าที่ท่าช้างข้ามเดินทัพไปตามทางป่าระนามปรารถนาจะไปตามเรือสเสบียงอาหารที่ขมิญตีไปนั้นครั้นเดินกองทัพไปถึงห้วยลำละหารแห่งหนึ่งที่นั่นเป็นลําห้วยลําธารน้ําไหลมาแต่ภูเขาทิศตะวันออกที่ลําธารนั้น กว้างประมาณ17วาเศษฝั่งลำธาร น, นั้นสูงประมาณ10วาบ้าง5วาบ้างเป็นศิลากองตามฝั่งบ้างเป็นดินปนกรวดบ้างตามฝั่งนั้นตลอดไปในลานําธารในลําธานั้นมีน้ําเป็นลําห้วยเป็นหุ้งห้วงลึกหนึ่งศอกบ้างลึกสองศอกบ้างเป็นอย่างตื้นเป็นแห่งๆเป็นตอนๆไปในลําธารนั้นที่อย่างลึกแปดศอกสิบศอก มีตลอดเป็นพืชเนื่องกันมากกว่าที่ตื้นๆมีน้อยแห่งแต่ที่ข้ามครั้งนั้นพระปลัดต้อนไล่พลสามร้อยคนลงในลำธารเพื่อจะข้ามลำห้วยไปขึ้นที่ฟากข้างเหนือป่ากําปอดในดงตะเคียนขณะข้ามลำห้วยนั้นไม่ได้พิจารณาทางที่ท่าข้ามตามฝั่งนั้นว่าจะมีทางจะหนีทีจะไล่ที่ไหนได้บ้างมีความเคลิมเขาไปมากจึงได้ต้อนไล่ไพร่พ ล, พล ลงในลำธารให้เดินเรียบไปในลำห้วยหมายใจว่าจะาหาที่ตื้นจะได้ข้ามลำห้วยลัดขึ้นบนตลิ่งเดินไปตามฝั่งลำธาร น, นั้นต่อไปขณะเมื่อไพร่พลทหารไทยกำลังเดินเรียบอยู่ในลำห้วยนั้นฝ่ายขมิเหล่ารายพวกที่ยิงไทยเมื่อวันก่อนนั้นขมรพวกนั้นพากันมาแอบซุ่มอยู่ในป่าเห็นไทยลงมาในลาห้วยหมดทั้งสามร้อยคนแล้วขมิ ก็กรูกันออกมาจากซอกเขาในป่าวิ่งมาตัดต้นไม้ใหญ่และต้นยางโค่นล้มลงให้ปิดซอกทางที่บนริมฝั่งลําห้วยเสียหลายแห่งตามที่ทางท่าไทยลงไปนั้นทุกซ่องทุกท่าและพวกขมตรอีกพวกก็ไปตัดต้นไม้ใหญ่ปิดช่องทางตามฝั่งลําห้วยข้างเหนือเสียหลายท่าหลายทางทุกช่องขมิตรทำการตัดต้นไม้ปิดช่องปิดท่าตามฝั่งเหนือและฝั่งใต้ ไม่ให้ไทยขึ้นจากลำห้วยลำทานได้นั้นก็เพราะจะคิดทำร้ายแก่ไทยให้ตายขณะกองทัพไทยสามร้อยคนเดินอยู่ในลำห้วยนั้นขเมินเห็นได้ทีก็พากันมาประมาณเจ็ดสิบคนเศษช่วยกันกิ้งก้อนศิลาบนฝั่งลำห้วยให้ตกลงมาทับไพร่พลไทยซึ่งเดินอยู่ในลำห้วยนั้นเจ็บป่วยตายก็มีเป็นอันมากขเมินบางพวกประมาณสามสิบสี่สิบคน นำปืนคาบศิลาและหน้าไม้มายิงระดมลงมาแต่บนฝั่งลำห้วยเป็นอันมากกระสุนปืนและลูกหน้าไม้ถูกพวกไทยที่กำลังเดินอยู่ในลำห้วยไม่รู้ตัวนั้นตายมากกว่าห้าสิบคนเศษพวกกองทัพไทยที่เหลือตายเดินอยู่ในลำห้วยนั้นก็นำปืนคาบศิลายิงขึ้นไปบ้างแต่หาถูกพวกขมิ้นไม่เพราะมีต้นไม้และก้นศิลาตามบนฝั่งบังกระสุนปืนไัยไม่ถูกขมิ้นเลยครั้งนั้นขมิ้นบางพวก ตัดไม้ร่วดเสียมเป็นเหล่าพุ่งลงมาแต่บนฝั่งลําห้วยตกถูกกองทัพไทยล้มตายลําบากมากนักที่เหลือตายนั้นน้อยก็คุมกันเป็นพวกยิงโต้อตอบขึ้นไปพลางเดินหนีไปพลางเพื่อจะหาทางหนีขึ้นจากลําห้วยมีได้แล้วรีบเดินหนีรุดวนเวียนอยู่ในลําห้วยต่อไปถึงที่น้ําลึกติดศอกสามวาในลําห้วยแห่งหนึ่งจะเดินข้ามที่น้ําลึกก็ไม่ได้ต้องกลับมาทางเก่า พวกขมิเห็นดังนั้นได้ทีมีโอกาสดังนั้นแล้วยึงนำปืนไฟและหน้าไม้ยิงระดมสาดลงไปสกัดหลังไว้ไม่ให้พวกไทยกลับมาทางเก่าที่สื้นขณะนั้นพวกไทยถูกกระสุนปืนและลูกหน้าไม้เจ็บลำบากมากด้วยกันก็พากันตกใจกลัวสิ้นสติไม่รู้ที่จะหนีไปทางใดไ ด, ได้เป็นการจวนตัวเต็มทีจึงพากันหนีโดดลงที่น้าลึกในห้วยทุกคนบ้างว่ายน้า วนเวียนไปมาอยู่ในน้ำที่ลึกด้วยกันทั้งสิน้นขมินหินไทยเข้าที่อับจนดังนั้นแล้วจึงนำปืนและหน้าไม้ยิงลงไปถูกไทยที่ว่ายน้าอยู่ในน้ำนั้นตายมากบางพวกก็นำเหลาไม้รวกพุ่งลงไปถูกไทยตา ย, ตายบ้างขมินบางพวกก็นำก้อนศิลาทิ้งคว้างลงไปถูกไทยที่ว่ายน้ำอยู่นั้นจมน้ำตายบ้างไสพลกองทัพไทยตายในลาห้วยนั้นสองสคน ที่เหลือรอดตายอยู่นั้นสาสิบสีคนทั้งพระปลัดเมืองปราบนายทัพคนหนึ่งเป็นสามสิห้าคนสาสิห้าคนนั้นเที่ยวแอร์แฝงซุ่มซ่อนอยู่ตามห้วยกรุกเขาที่ไหนมีภูเขาเป็นที่กำบังก็เข้าซ่อนตัวอยู่ต่างๆกันหลายแห่งในลําห้วยฝ่ายขมินเห็นศพไทยตายกราดเกลื่อนไปในลําห้วยลําธารดังนั้นแล้วขมิญก็สำคัญเข้าใจว่าไทยตายหมดไม่เหลือเลย เพราะพวกไทยที่เหลือตาย35คนแอบซุ่มซ่อนอยู่ตามซอกห้วยลืบเขาเหลือบเขานั้นขมรหาเห็นไหมพวกขมรเหล่าร้ายนั้นประมาณเ0็ดสิบเศษหรือแปดสิบราวนั้นก็พากันลงไปในลำห้วยช่วยกันเก็บปืนคาบศิลาและดาบที่กองทัพไทยตายถิงเรื่อรายอยู่ในลำห้วยเก็บนำมาทั้งสิน้นบางพวกก็เก็บเสื้อกางเกง เรื่องแต่งในกองทัพไทยมาด้วยก็มากบางพวกก็ลงดำน้ำหาปืนและดาบที่ไทยทำจกน้ำจมเสียเมื่อวิ่งหนีบ้างเมื่อว่ายน้ำหนีบ้างในวันนั้นเวลาบ่ายประมาณสามโมงเศษพอกองทัพไทยอีกกองหนึ่งซึ่งหมื่นติที่สงครามนายด่านเมืองกราดขุมพลทหารมาสองร้อยคนเดินทัพยกตามมาทายหลังก็พอถึงฝั่งลำธารชื่อว่าลาห้วยละหารซึ่งขมนเรียกว่า จันเลาะเป็นเวลาบ่ายแล้วหมื่นสิที่สงครามไล่ต้อนพลทหารขึ้นบนฝั่งลำห้วยจะข้ามลำธาร น, น้ำขึ้นไปฝ้าข้างเหนือตามทางตรงในป่าดงตะเคียนขณะจะข้ามนั้นและเห็นพวกขมรนเหล่าร้ายประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคนลงเก็บเครื่องอาวุธอยู่ในลำห้วยแล้วเห็นศพพวกไทยตายเกลื่อนอยู่ตามลำห้วยเป็นอันมากก็เข้าใจว่าทัพพระปลัดเมืองกราบเสียริพกับขมรหมดแล้ว หมื่นสิทธิสงครามนายทัพก็สั่งให้ผลทหารสองร้อคนแยกออกเป็นปีกาแล้วให้โห่ร้องกระนำสำทัพเป็นเสียงไทยพวกหนึ่งให้โห่ร้องเป็นเสียงยวนพวกหนึ่งจะได้ให้ขมินตกใจกลัวว่าถังไทยถังยวนยกมาพร้อมกันจะให้ขมนสิ้นความอาลายัยห่วงให่ที่จะไปพึ่งยวนนั้นจะได้สิ้นความหวังใจของขมน ขเมนจะได้อ่อนน้อมยอมแพ้แก่ไทยโดยง่ายแล้วสั่งให้พลทหารยิงปืนคาบศิลายิงระดมลงไปแต่บนตลิง่งลำห้วยกระสุนปืนไทยตกไปถูกขเมนล้มตายเป็นอันมากฝ่ายขเมนไม่ทันจะรู้ยิงไม่ได้ยิงปืนโต้ต อ, อบขึ้นมาบ้างเป็นแต่วิ่งหนีไปในลำห้วยขณะนั้นพวกไทยสามสิบสี่คนเป็นสามสิบห้าถังปลัดด้วยที่เหลือตายแอบซ่อนอยู่ตามซอก ห้วยลืบเขาได้ยินเสียงโหร้องเป็นเสียงไทยบ้างเสียงยวนบ้างแล้วก็ออกมาดูเห็นเป็นพวกเดียวกันและเห็นพวกขมเณรศัตรูเท่านั้นถูกกระสุนปืนไทยล้มตายลงเป็นอันมากขมเณรที่เหลือตายก็วิ่งหนีไปแอบซ่อนซุ่มอยู่ในลําห้วยพวกไทยส5สห้าคนเห็นเป็นการดังนั้นแล้วและมีอาวุธพร้อมมือกันทั้งสสห้าคนก็ออกจากที่ซุ่มซ่อน ช่วยกันไล่ฆ่าฟันยิงแทงพวกเขเมศเหล่าร้ายนั้นตายสิ้นไม่เหลือเลยแต่สักคนหนึ่งเขเมศตายในลําห้วยครั้งนั้นนับศพได้เจ็ดสิบเจ็ดคนเขเมศตายครั้งนี้เหมือนคำสุภาษิตว่าไวบทหนึ่งว่าทุกขโตทุกขถานังผู้ใดให้ทุกแก่ท่านชั้นใดทุกนั้นก็จะมาถึงตัวเหมือนกันข้อความนี้ได้แก่เขเมน ขมนให้ทุกภัยแก่ไทยแล้วไม่ช้าล่วงเวลาเลยก็เห็นในทิฏฐเวทนียกรรมให้ผลมาตามทันไทยก็มาล้างขลานสังหารชีวิตขมิตอบแทนแก้แค้นบ้างผานาบสยามยุทธภาคที่สองตอนที่หกขมนเมืองกับปอดร้นเสบียงทัพไทยกำลังเข้มข้นไปทุกขณะ โปรดติดตามตอนต่อไป